สังวนสังรวมอินสี่หกคือตาหูจมูกจีกนกายใจยไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงรวมกลินลดินรถผลจะพารูธรรมรวมโดยใจอืสอนเพื่อใจทั้ทั้งดีไป เ, เกันไปผมจบหลายประโยชน์ผมก็สอนออนิด เ, เ, เดียวทีเดียวแต่ควาไปยังเฮ้งยินดียินร้ายว่บ่ได้พี่หน้าหามห้อนตรงอย่างนั้นจีน หาก็่าเขารู้เรื่องชัดมัด้ยแดดซักความยินดีมันก็เป็นเหตุนในทุกเกิดถ้าเราไปหมายมันม่ความยินรายมันก็เป็นเหตุนในทุกเกิดชิ้นทั้งสองอย่างมันมีราค า, เ ท, าเท่ากันขัในใมื่เกิดขึ้นมามันเห็นโทษมันทุกอย่างอันความยินดีขึ้นมากกวแดดซักแต่ว่ายินดีเท่านั้นจากความยินรายเกิดขึ้นมากระซักแต่ว่าความยินรายเท่น า, ๆๆ า, นน า, านั้น เขาเรียมมันกาลังงับเห็นพี่ยังน่าไปตรงหายไปเช็นมารสสารเนี่ยเราถือว่าตั้งแต่เมื่อเราเกิดมาพีสัสหัวกันที่สุดแล้วใครไปตกไปจับตายตีตา ย, ตายเขาตบตามข้างๆมันเป็นอะไรตบตามนี้เขาไม่เป็นไร ไปจบทีศาจีเราเอาความยึดกับไปหมายมันตรงนี้สําคัญกว่าเขานี่นก็เลยเกิดเป็นคิดขึ้นมามี่ความรา้ายเท่นีอย่างการมาคมก็เหมือนกันการเสพกรรมเนี่ยมันก็เท่ากันกับมีรู้จมูกเอาในมือแย่ไปเท่าเนี้ยมันมีอะไรไหมแต่ถ้าเราไปวางความยึดมั่นหมายมันมาตรงนั้นสําคัญที่สุด มันเป็นช่องที่ชาวโลกชอบกันที่สุดในใจเอาวางไว้ข้างบนเนี่ยไปวางไว้ตูดนั่นก็ได้ถ้าไปเห็นวิบน่ยมันใจมันจะบ้ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักในรู้ว่าสัตว์ไม่รู้ว่าบุคคลจะมูกเอามูอแยกเอาไว้ที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเอาขี้จมูกเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพราเราไม่ไม่เอาไม่ได้วางความยึดมั่นถือมั่นแบบตรงนี้เนถ้าเราวางไว้ข้างตูดนั่นน่ะ มันยิ่งสกปรกไหลยตรงนี้มันสําคัญที่สุดไหมชาวโลกมองตรงนี้เป็นสาคัญที่สุดเนี่ยเพราะจะยังไม่เห็นท่านอะเว่อรผ้ากันตัวนี้ตอนนี้เท่านั้นแหละตายแล้วเท่านั้นนี่บาเพราะอะไรนี่มันพบมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราถือได้ว่ากตรงนี้ก็เหมือนดูจหูกเราเท่านั้นเอาอะไรไปแยกเข้าไปมันก็เฉยเเท่านั้นแค่แค่ขี้จะมูกออกมาเท่านั้นเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้ตัวมันข่างกันเท่าไหร่ไหม เรื่องธรมรมดาก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้เมื่อใดเอาพบกาไปใส่มานเนี่ยมันก็มีเกิดชาติขึ้นมานี่นะไม่มีชาติเกิดคือไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีความยดียกเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเป็นธรม ร, ธรมดาธรรมดาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมันม่นมันแบบตรงนี้มันเป็นนั้นอันนั้นชาวโลกเขาเอาอะไรไปใส่อตรงนั้นเนี่ยใส่ให้ตรงนั้นชอบคนชอบชอบทํางานที่ตรงสศกับ ป, ปลก ที่สะอ า, าดเนี่ยไม่ชอบทำงานตรงที่กระสกระโปงสลายยิบชอบทำงานหือเนี่ยไม่ต้องจ้างด้วยต้องจ้างเขาเ็าเอาทำงานธรรมดาได้เงินได้ทองเขาจ้างเราอันนี้เราจ้างก็เอาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูดีดู ด, ดีนี่มันถูกสมมติปัญญาติกัน <c oughs> นันให่เราคิดกับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเราเท่านั้นนะท า, า, า, ารกพิจารุจมูกรู้หูวูนทั้งหมดมันก็เหมือนกันทงนี้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 นั่นแลยยหละเพียงแห้าจิตตรงนี้มันขาด<笑><笑><笑><笑>บางทีผมเป็นผ้าแบบกดดีใจตากแดดไปโน่นไป น, น, ไปนี่หลายจังหวัดผมก็มองโน่นมก็เหนื่อยเหมือนกันไปทําไมไปหาความสงบผมไม่มีคําตอบเขาแล้วไม่รู้ว่าความสง บ, สงบอยู่ตรงไหนไม่ใช่ให้โทษเขาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอืมผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปหาความสงบนึกว่าความสงบมันจะอยู่ตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นคิดไว้อย่างนั้น แต่ก็มีจริงๆเหมือนกันนะอืมมาไปตรงโน้นก็สบายหน่อย <c oughs> มันสบายทอไอ้คนเราเมื่อตอนเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นเนื่องจากตรงนั้นมันจะสบายเนี่ยผมไปเห็นสุนัขอยู่บ้านก็พาการะลัืสมมติตรวนั้นใหญ่เขาลากมันเข้าบ้านหนโอยทางนอกบ้านเราออออเอาข้าวให้กินอยู่ตรงโนนมันก็นอนอยู่ทางนอก มัอยู่ข้างนอกกันนานไปมั น, มนอกีคิดอยากเข้าในบ้านนี่เขามาดันประตูแห่ๆจะของก่อําคาญไปเปิดประตูให้มันแล้ก็เข้าใหม่สบายปิดไว้อากาศจะเข้ามันจะหนาวเฮ้สุนัขมันก็ยิงไปยิงมาแล้วก็เบื่ออีกแล้วอยากจะออกไปอีกแล้วอืมมันก็ไม่เออจะของก่อนรำคาญดิไปเปิดประตูให้มันออกไปอืมเอาไปเจอนออกสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากออกมาเข้ามาอีกแล้ว นะแล้วมาตะโกนประตูอออย่างนั้นเรื่องว่าข้างนอกมันดีกว่าข้างในก็เข้าไปเข้าไปชั่วคราวแดียนะ๋ยวเบื่ออีกแล้วไม่ดีอย่ากออกมาออกมาแดียวมันไปยังนงเลยก็อยากเข้าไปเขามาจิตของคนเหมือนสุนัขมันก็เข้าเข้าออกอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ไม่รู้จักมันที่ไหนมันที่สบายอื เราคิดอย่างนี้อะไรทั้งหลายที่มีความรู้สึกนึกคิดในใจเรามันสิพยายามระ ง, งับลงไปนะพยายามคิดเฉยๆอนความยืดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมันพร้อมกันทางนั้นเนี่ครับฉะนั้นเรามาวัดอันนี้ดูพวกเราอย่างไกลนะไกลยังไกลยังห่างไกลหลายอันนี้พูดถึง ไปเที่ยวเมืองนอกมาหรอกผมเข็นได้หลายอย่างไปที่หนึ่งผมมีปัญญาขนาดหนึ่งไปข้างที่สองนีง่ผมมีผะ ม, มีปัญญาขนาดนี้ข้างที่หนึ่งผมต้องเขียนทิ้หนังสือตรงนั่นตรงนั้นข้างนี้ผมวางปากกาเลยไม่ได้เขียนอนุนอันนี้ที่ไหนได้ป่อยเลยคิดว่าเออเราจะไปเขียนอาว่าน้าเมืองเขามันจะทนหรือเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันเป็นแ่ อ, อย่างนี้น่ะ <c oughs>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 นี่คือความเยือกมัินคือมันของคนีิจ น, นั้นคนไปถูกอะไรต่างๆมันตื่นเต้นไปถูกอะไรมันตื่นเต้นมันชอบตื่นเต้นความตื่นเต้นในใจของเรานี้เดี๋ยมันไม่ปกติแล้ว <Okay. S 1> ไปเห็นสิ่งที่เคยไม่เห็นไปรู้สิ่งที่เคยไม่รู้ <Okay. S 1> แต่ว่าเรื่องเรื่องที่ต้ เรื่องวิทยาศาสตร์ยกให้เขาเลยไม่ต้องไปเถียงกันแล้วเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังมียอมเหมือนเดิเรื่องยุทยาศาสตร์ทุกอย่างน่ะวัตถุต่างๆละมอไปเอนไเจ้าสู้ไม่ได้แล้วเรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังอยู่เหลืออยู่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยบางคนนก็เป็นทุกข์เป็นยากเป็นลำบากก็ไปวิ่งตามรอยที่มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์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 เรื่องคิทธีอย่างมากที่สุดตรงั้นเขาก็เรื่องว่ามันดียึดมันถือมัน่นเท่นั้นคนจะไปทางนี้มันน้อยผู้เราทั้งหลายทุกๆคนก็เหมือนกันที่มาอยู่ในนี้สัมมาทิฏฐินี้ยังนีน้อยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดยมากมันพิจารณาตามธรรมะนั้นมันไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบ ถ้าเห็นชอบมังก็ลดละสิมันไม่เห็นชอบบางทีมันไม่เห็นด้วยมันเห็นอย่างอื่นมันอยากจะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไปตัวเราเองนี่หละมันอยากจะแก้ธรรมะเนี่ยพยายามไปาันไปเรื่อยๆเรื่อยนี่ผมช่างคิดได้อย่างเหมือนกันนะอีกนนึงไปพบกับํามโยคาํามโยคากันโอ้ แรารฟาดอย่างเราทำมันเป็นขาหักหมดอย่างนี้เหลือล้คือเส้นเย็นของเราไม่เป็นปกติบางปันน้นมันเยี้ยไปทําไปต้องต้องทำทุกวันทุกวันก็สบายทำทุกวันทุกวันสบายเีื่องทุกวันก็สบายเขาทาถ้หาหากว่าเขาไม่ทำเขาจะไม่สบายผมเลยเคิดว่ นี่คือทำอารมณ์ใจเจ็บฟ้องหยูแล้วมันเปลี่ยนแปลงนมันตึงอวันนี้มันมันตึงเครียดเรามันเปลี่ยนแปลงมาปัสบายสบายโซฟาเกราะเราทํามัาถ้าเราได้ทําอย่างนั้นเกิดก็ไม่สบายอีกแล้วจะไม่ก็ต้องทําตัวันทุกวันวันทุกวันมันต้องสบายถ้าไม่ได้ทําวันทุกวันไม่สบายแล้ว ผมผมเข้าใจว่าเพิ่มงานาอไมโดยที่ไม่รูนจับจากกองที่นี่วิสัยของคนจะต้องทำนะเพราะแนจีนคนหนึ่งนี่นไม่นอนมาได้สามสี่ห้าปีแล้วมั้งนั่งเช่ๆช่ตัวช่องการอาบน้ำทีหนึ่งปีหนนั้นร่างกายก็อ้วนเลือดลงก็ดีไม่ต้องวิ่งขดาดถ้าจีนคนนี้ตายเขาไปวิ่งเห็นก็จะไม่สบายกันไม่รู้ เพราะเขฝึกอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นพ่อการฝึกสําคัญที่สุดมันแก้โรคกระได้เพิ่มโรคกด้ไหนไอความรู้สึกคิดเรานี้เพราะวนกันทุกอย่างนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นจิตพระพุทธเองค์เดินสอนให้รู้รอบรู้รอบให้มันรู้รอบจริงๆริงจให้มันในว่างจะให้มันในว่าเราทุกคนอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอย่าเพิ่งไปเดินเต้นอะไรมันทั้งนั้น เราอยู่ชน เ, นยเช่นนียเช่นเราอยู่บ้านเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่นนะเราอยู่เราอยู่กันสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรมันสบายแลย้วนี่ใค่ค่ปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่ก็วิ่งลอยสบายปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันก็สบาย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 สมัยนี้เราอยู่เมืองไทยเรานะวัฒนธรรมอย่างนี้ทําถูกต้องตามวัฒนธรรมอย่างนี้มันก็สบายถ้าอีกคนหนึ่งมาทําใหนผิดจากวัฒนธรรมเราจะเป็นไงมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นทุกวันนี้เราอยู่เราเป็นปลาตัวเล็กอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าเราปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กมันจะเป็นไงชาวเมืองนอกกับเมืองไทยนั้น ที่เขาอยู่ตามสภาพบ้านเขาเนี่ยเขาสบายอย่างนั้นคอ้ไข่เขาแบมันเป็นปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่สบายถ้าข้ามมาเมืองไทยเราบีบอยู่แหละมันเป็นปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กจะขบจะชันจะไปจะมาจะอะไรอะไรมันมันมันมันไม่ถูกทางกันเท้านั้นแหลปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็กมันดิ้นไม่ได้ไปไม่สะดวก ขนาดนั้นในความยึดมั่นถือมั่นนี่คงในระดับมาเดียวกันอยู่คนหนึ่งติดอย่างนั้นค น, นคนหนึ่งติดทางซ้ายคนหนึ่งติดทางขวาแค่นั้นแค่นั้นในทางที่ดีพระพุทธเจ้าให้รู้จักให้รู้จักประเพณีไทยประเพณีฝรั่งให้รู้จักถ้าเรามีประเพณีธร ร, ธรมะเราจะเอาประเพณีเมืองเมืองเมืองนอกเมืองไทยเข้ากันได้สบายถ้าเราไม่รู้จัก ประเพณีของธรรมะแล้วมันยุ่งทั้งนั้นเนี่ยมันยุ่งทั้งนั้นประเพณีธรรมะนี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมทั้งหลายกันมาในนี้เป็นประเพณีอย่างนี้อันนี้ผมเคยได้ยินคำพระท่านสอนเลยว่าเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาไม่รู้จักคำพูดเขา ไม่ดูจากความหมายเขาไม่ดูจากการกระทําของเขาในคนถิ่นนั้นเราจะพึ่งไปถือตัวในที่นั้นคำนี้ยืนยันตลอดเวลาเนี่ยผมพึ่งมารูปปรากฏที่คำเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาในคราวที่ผมไปกับบุศิตุกขานี่อันนี้ึงเอไม่ใช่สองสองปีมาแล้วที่ได้ออกจาก บ้านเราไปเนี่ยมีประโยชน์มันเป็นมีไประโยชแต่ก่อนมันยึดเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมั่นจับมาดูเฉือยแต่วางนแต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยัดยึดมั่นดียกว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดไม่มั่นไอ้พุ่นดาโพสันก็ได้ไอ้พุ่นโกรดโพสันก็ได้ แต่เนี่ยทำตองที่ว่ยุดอย่าให้มันมันม่นอย่าให้มันขาดจากใจของเราสมายจริงเสรวจจริงถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีฉะนั้นผมจึงสรรเสริญคาสอนอพระพุทธเจ้ายึดอระเษกทั้งสองธรรมรวมกันสบายที่นี้รู้บางสิ่งบางอย่าง จะเอามาฝากพวกเราทั้งหลายนั่นมีผมจึงว่าผมไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ต้นประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ภาษาศาสนาประโยชน์ในมหาชนทั่วไปประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมดไม่ใช่ผมตั้งใจจะไปดูประเทศนั้นไปประเทศนี้เมืองนั้นเมืองไม่ใช่เฉยผมไปเพื่อประโยชน์ ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์พบหนี้พบหน้าถึงประโยชน์ปรมัตเรปรยชน์เมืม่อรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็เท่ากันทุกคนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันไปทางไหนก็เดี๋ยวสเสด็จไปดีมา ก, ก็ดี อย่างนี้จะเปรียบเนี่ยไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีแล้วก็ตงเกลียดในระมีธรรมะเห็นคนไม่ดีนั่นเนี่ยคือครูเราแล้วเราจึงจะดูจากคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราแ ล, แล้วรู้จากคนไม่ดีเห็นบ้านนังนี้มันสวยกว่าีเราจะดูจากบ้านที่ไม่สวย เห็นบ้านหลังที่มันไม่สวยนีเราก็ดีเราจะรู้จากบ้านมันสวยไม่ได้ทิ้งสักนิดเดียวทรมาฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าสู้ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันนาตการดรุราจสจรพสกคนเขา่าคือคนหลงอะโมกอยู่เดโพรู้หาของอยู่ไม่เรียนนักสรมเบรคของพิจนาเรื่องเกินอันนี้เป็นคำที่สำคัญ แตเพิ่งมันมาโผล่ขึ้นในเมื่อเราปฏิบัตินี่สู้ทั้งหลายจะมือโรคนี้สู้ทั้งหลายต่อทั้งหมดนี่นั่งอยู่นี่ก็สู้ทั้งนั้นนี่มาดูโรคนี้โรคนี้โรคมันโรกมนุษย์โรคอากาศโรคสัตว์โรคโรคทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่เนี่ยถ้ารู้โรคทั้งหลายแล้วนี้อย่างแกมแจ้งก็ไม่ต้องภาวนาอะไร ถ้ารู้จักว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ยตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีไม่มีขัดส่านิดเดียวโรคก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์จะรู้แจ้งโรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้แจ้งซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอันละเอียดมันก็ไม่ห่วงในโลกถ้ารู้โรคโดยแก่นแจ้งมันก็ไม่มีโรค ก, กระทำเราไม่เป็นไปตามโรค ก, กระทำนั้น มันก็ไม่สัตว์โลกสัตว์โลกมันเป็นไปตามโลกธรรมมันนั้น ม, มันแยงกไปทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจนารณาพวกเราทั้งหลายนี่มันยินดีนในรูปในเสียงในปินในรถในขวดสภะธรรมลมอันนี้แต่เราพิจนารณา รูปเข้าใจไหมรูปรูปเราเนี่ยนี่นั่งนป่นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปเสียงเราก็รู้กันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเราก็รู้กันทั้งนั้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ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 การปฏิบัติหวังเกินไปหวังจนเดือเกินเดือหวังเรา mm. เช่นว่าเราไปดูรูปผู้ชายดูรูปผู้หญิงผู้หญิงดูรูปผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสนใจมากที่สุด mm. เพราะมันวาดสูงจนเกินไป ออืทางหูทางตาอยากจะริ้มจะเรียรอยากจะดูอากับกิริยาสารพัดอย่างมองท่านะั่นแหะถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไหรนะ <c oughs> อยากจะนี่งห่างๆซะหน่อยนึงบางทีอยากจะไปบวชเชื่อแต่มันไปไม่ได้นี่เหมือนกันกับนายพานที่เห็นเนื้อนายพานไปยิงเนื้อเห็นไหม ถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเนี่ยเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็สยบสยองมันทางหูทังหางมันสารพัดอย่างนายพานก็ยิ่งชอบใจยิ่งทําตัวเขาให้เบากลัวมันจะวิ่งหนีเนี่ยอันนี้คือมันกันยิ่งเห็นว่ารูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโอ้ยนะก็ยิ่งเพ่งสินิดเข้าไปมันมากี่สูดน์แต่มันดีพอใจเรา นายพานก็มันกัดถ้าเห็นเนื้อเดี๋ยมันจะมองเห็นแล้วก็ยิ่งหลดยิ่งดีกลัวมันจะเห็นเราเนื้ยิ่งชอบใจใหญ่เลยเนะยิ่งทํามากับกยานยกลัวเนื้อมันจะยิ่งหนีเอ้ยก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนะ่ะเมื่อใดจังหวานายพานยิ่งต้งตายนายพานประหมดพา ะ, ะจะไปดูเนื้อมันตายก็เท่านั้นแลหละหรือมีตื่นเต้นทราย แกเนื้อมันมาจินกระอิมอิมแล้วก็เท่านั่นแหละไปดูหูมันก็เท่านั่นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั่นแหละแต่เมืเม่อือยังมีชีวิตอยู่อยใจในพานไม่เป็นอย่างนั้นเนาะมะะมันดูอากลับกิริยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทําห้ใจในพานอืมใหญ่โตขึ้นมาโอ้อหขึ้นมาเมบิกบานขึ้นมาเห็มันชอบมากตัวระวังนะก็เหมือนกันนะเนี่ยคนเรา รูปนี้ของมันกันถ้าเยเรายังไม่ได้มันก็รู้มันสวยหรือเกินวะถ้ามันอยู่ร่วมกันเนี่ยเบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปไวยหูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้นี่เนื้อที่มันตายแล้วอืมจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้น่ะก็มันตายแล้วนะอันนี้ถ้าไปแต่งงานเนี่ยนะจะทาอะไรก็ได้ ทำไงก็ได้เมื่อเราทำเนี่ยทําไงเนี่ยก็าหาทางนี้แล้วไปนี่นี่ะเราไม่พิจารณาของเราแต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะมันไม่มีอะไรมากเลยคนนะั้นคือมันวาดถุงจะเกินไปวาดถุงเกินไปมองดูรูปเห็นมันจะกินได้ทุกแห่งนหูก็จะกินได้ตาก็จะกินได้จมูกก็จะกินได้นะบางทีนึกไปบางขั้งเนื่องว่าขี้มันจะไม่มีเ อแจ้งมองนอกคิดยังไงหรือเปล่ากันมาดูนะไมคใช่ดูบางที่มันก็จะไม่มีเนาะมี้็แต่น้อยเนาะนั่นทั้งตัวมันจะกินได้หมดแั่เนี่ยอันนี้มันวากสูงเกินแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอืมไม่ใช่อย่างนั้นทามันดิ้นเหมันเหมือนแมวกัะหนุ่นทามันดิ้นยิ่งตั้งใจตะคุบเลยเนาะ จับหนูชา ห, ห, หนูหนูหนูคลิกตัวครุบเลยแมวยิ่งตั้งใจขึ้นถ้านูตายแล้วจะคุบอะไรก็เฉยหนูก็เฉยแมวก็ไม่ได้ตั้งใจเฉยนเนี่ยแมวก็เนี่ยเห็นไหมนี่มันก็เท่านั้นเองนะมันวาดสูงเกินไปไอพวกเราทางหากมันไปตา ย, ยที่ตรงนั้นแหละอยู่ <Yeah. S 2> มันวาดเกินไปฉะนั้น ฉะนั้นถึงนักบวชเนี่ยมันทนทุกข์อนนี้มากตัวเขาละเนี่ยเรื่องกามเนี่ยเรื่องกามกามะคือความใคร่ใค้่ในความชั่วก็ใคร่ใคร่ในความดีมันก็ใคร่แต่ในที่นี้เรียกกามะแต่แปลว่าในความใคร่ในทางที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วก็ใคร่มันทำลายเราอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ในที่นี้ากามะคือความใคร่ ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุออกยากลำบากแคะนั้นพระพุท ธ, ทธเจ้ากันสอนอานนนคำถามพระอานนถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วน่นจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสติภาพอย่างไรคือจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรเมันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันลำบาก จะให้ข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามตรีภาพโดยอาการอย่างไรจึงจะมีเดือดร้อนพระพุทธเจ้าอ น, นุโมอย่าเห็นมันเลยดีกว่าประโนุ่นหัวฟังไปคนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้นะมา้าถ้าเราจะเห็นจะทำไงดีเนาะคิดไปเดืมันพุน่มมันไม่หลานต้องเห็นคนนี้นซอืมางข้าแต่พุทธีกา ถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่ใจะให้ข้าพระองค์ทําอย่างไรเฮ้ยอย่าพูดอนุอย่าพูดถ้าอนุนก็คิดไปอีกไงบางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางไงตังนี้เนาะมืันก็ต้องพูดแต่ว่าจะคมไปอย่างนี้เลยนะะลาวถ้าหากว่าเหตุที่จะต้องพูดมีอยู่จใจข้าพระองค์ทําอย่างไ ร, อ, รนอนุนพูดไปนี่สิ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 แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยิง่งจิตมีสกโปกเท่าไรมันยิ่งอยากเจ็บคู่นะนั่นเหตุมันโดนตรงนั้นยิ่งสกโปะรุกรากเท่าไรมันยิ่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละอย่างกันนี่อย่างนี้มีแค่นั้นองกลัวกลัวผมกลัวอันนี้มาก แต่ที่พวกทำทางไร้าไม่กลัวนั้นอาจจะเหลวกว่าผมก็ได้ <c oughs> ไม่กลัวมันไมเป็นอะไรหรอกอย่างนั้นผมต้องกลัวไปเถอะต้องกลัวไปเคย ม, ค ม, ม, มีไหมคนแก่กามรากันมี้ไหมผมเป็นพู้ที่มาอยู่กับผมนี่ผมจะให้ห่างมากที่สุดถ้ามีมความจําเป็นจะไปแตะต้องอันนั้นผมไปอยู่จนมาอยู่ในป่าเนีะ่ะ ตปเห็งมันอยู่ต้นไม้มันซัดกันก็นั่งกรรมฐานดูนี่ผมยังอยากกับมันเลยนึกนั่งดูไปอยากดีงกันมันเป็นดิงกับเาดอเอาดีจิงกามันซัดกันทะนี้ผมไปอยากลวมันโยมผู้หญิงไม่ได้ฟังคำผมดอกสมัยน่ะผมกลัวร้ายฟังไม่ได้ฟังมันปนดมดเลย ไม่ใช่ผม่ังเกลียดเขาครับผมมันงู้เดี๋ยวนี้เขาพูดๆกับคนเท่าทๆแก่ๆนี่เพราะระวังตัวเองท่านนั้นจึงจึงมันผ่านอันตรายมาถึงฝันนี้ไม่ใช่ว่าไปเยีกยคิว้วเสียให้หายใจอย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทำไมได้ระวังสมรมะเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนชัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอืมนะ